เพืิอนๆที่ครบคะ่ะวันนี้เป็นวันจันนะคะเรามากันครบทั้งทีนค่ะเริ่มต้นด้วยพระมาชาควาโรต่อมาก็กำลังจะไปถึงพระพิบุลอภิปุโนนะคะจากวัดป่าดอนายโสอุดรธานีค่ะนัรสักษ์กา ร, ท, รท่านคะเชิญพรค่ะท่านพิบูญคะ่ะนี่ก็รู้สึกจะเป็นวันที่เพิ่งครบคอร์สปฏิบัติแล้วคะ่ะ อ, อใช่สำหรับเดือนพฤศจิกา ย, ย น, นอากาศ <7 S 2> เป็นไงคะ อุดรธานีช่วงค่ำๆนะช่วงก่อนสว่างเนี่ยแหละตอนกลางคืนนี้ก็หนาวล่ ะ, ะอากาศเย็นทีเดียวต้องมีเสื้อผ้าอะไรที่มาคอยป้องกันความหนาวแต่ถ้ากลางวันก็จะอุณหภูมิปกติมีร้อนบ้างก็เป็นเรื่องที่ทาให้เราเห็นนะคะว่าอาณาเขตของประเทศเนี่ยเป็นเพียงแค่ คำสมมติไม่ใช่ว่าอยู่เนื้ออีสานใต้ออกตกแล้วมันจะเหมือนกันทุกที่ออืเพราะว่ากรุงเทพก็ยังไม่หนาวนะคะใช่แล้วก็ฝนนี่ไม่ได้ตกมาเป็นเกือบเดือนแล้วไม่อาจมาว่าตั้งแต่ออกพัรศาค่ ะ, ะคื อ, อบางทีเนี้ยมันทําให้ดิฉันนึกถึงเวลาที่เขาประกาศนะคะว่าเขตโน้นเขตนี้ตรงนั้นตรงนี้น้ําท่วมคนอยู่ในเขตเดียวกันแล้วก็ ป, ปีอื่นไม่ได้อยู่ในพื้นที่ก็อาจจะคิดว่าตายแล้วท่วมบ้านชั้นหมดแล้วกลับมาก็ยังไม่ท่วมเออาเป็นยังไงก็มี คล้ายๆชื่อมันเป็นสม ม, สมตินะวะค่ะนันคือแปลก็ ว, ว่าอันนี้มันก็ไม่แน่ไม่นอนอ่ามันไม่แน่ไม่นอนจริงๆไอ้ที่ว่าดีดีดีมันก็มีส่วนที่ไม่ดีอยู่ใช่ไหมไอ้ที่ไม่ดีเลยออามันก็จะมีส่วนดีอยู่บ้างพระพุทธเจ้าจึงให้ทําใจเป็นแบบเป็นกลางคืออย่าพึ่งปักใจเชื่อ ว, ว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าค่ะท่านพิบูลค่ะดีฉันเชื่อว่าถ้าท่านใช้สกาย ขอประธานโทษนะคะท่านผู้ฟังคือดิฉันกับท่านเพรบูลเนี่ยก็โชคดีอย่างที่ว่าท่านเพรบูลคล่องตัวในเรื่องการใช้เทคโนโลยีก็จึงทําให้บ่อยครั้งทีเดียวที่สามารถพูดคุยกับท่านผู้ฟังได้โดยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ก็จึงเข้าใจว่าท่านเองก็คงจะมีของแถมจากเทคโนโลยีเหมือนกับที่ทุกคนที่ใช้เทคโนโลยีเจอเหมือนกันคือคนก็จะส่งนู่นส่งนี่มาให้ทั้งที่เรารู้สึกว่าถูกอธทยาสายแล้วก็ไม่ถูกอธิยาสายอืเป็นจํานวนมาก วัฒนธรรมการส่งต่อเนี่ยคะ่ะแล้วบางครั้งเนี่ยไอการส่งต่อมันก็เป็นการโจมตีกันหรือว่าพยายามชักจูงให้คนที่ได้อ่านเนี่ยได้คล้อยตามสิ่งที่เราส่งมาให้หรือว่าไม่ชอบในสิ่งที่เราส่งมาให้เหมือนเหมือนกับเราอะไรเงี้ยนะคะแล้วหลายเรื่องคะ่ะท่านคะที่ดิฉันมีความรู้สึกว่าทําให้โลกโลกที่เราเรียกกันว่าโลกไซเบอร์ภาษาไทยจะเรียกอะไรดีคนะอินเทอร์เน็ตไหมไม่ค่ะภาษาไทยะคะ่ะมีไหมคะถ้าจะ เป็นคาจำกัดความแบบไทยๆอะค่ะสังคมออนไลน์ไหมออนไลน์ก็ยังมีภาษาอังกฤษสังคมบนอะไรเดยบนคลื่นเครือข่ายเนี่ยนะเครือข่ายคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ก็ได้ก็คือเหมือนกับว่ามันไม่ต้องมีแผ่นดินเหยียบมันอยู่ใน อยู่ในอยู่แน่จาจคอมพิวเตอร์เอานะคะแต่มันมาถึงเราได้<อ>มันไปถึงไหนต่อไหนได้อยู่ในโลกใบนี้เนี่ยมันไปได้ทุกพื้นที่ของโลกที่สามารถรับมันได้ถูกไหมคะใช่ใชค่ะทีนี้ของดีก็ดีไปความดีจะแพร่ขยายอย่างรวดเร็วเหมือนกับที่มีพระภิกษุหรือผู้ที่ศรัทธาในธรรมะจำนวนมากพยายามทาอยู่เช่นเดียวกับท่านเพบูน เพีธรรมะ c o มหนึ่งูย์หกของท่านเนี่ยดิฉันดึงออกมาส่งต่อเยอะเหมือนกันนะคะค่ะทีนี้ในมุมลบค่ะท่านค่ะถ้าเกิดส่งอะไรไม่ดีแล้วเป็นเชื้อโรคร้ายแพร่ระบาดในเวลาอันรวดเร็วอย่างทั่วถึงาง <c oughs> ่ดิฉันกำลังคิดว่าคุณสตีฟจ็อบส์ค่ ะ, คะ uh huh. ผู้ที่เป็นผู้ก่อกำเนิดความเกียนไกลของ Apple ตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วนะตายไปแล้วคุณสตี เขาทราบว่าเขาก็ศรัทธาพระพุทธเจ้าทีนี้วิธีการหลายๆอย่างไว้ว่าคนอื่นไปพูดไม่ดีคนอื่นไม่มีวาจาสุภาษิตหรือไม่ใช้หลักคำพูดแบบพระพุทธเจ้าผิดสัมมาวาจาผิดศีลอะไรอย่างเงี้ยมันปรากฏในโลกนี้เยอะเนี่ยสติปจอบถ้ามีชีวิตอยู่เนี่ยที่ฉันว่าเขาต้องทบทวนนะคะเนี่ย พราะมีส่วนทําให้เทคโนโลยีนี้มันแพร่กระจายง่ายมากขึ้นเอามาใช้ในทางที่ผิดว่างั้นเถอะคืออันนี้มันจะต้องพูดถึงประเด็นมีอยู่ 2- อสาประเด็นที่คุณโยมติพูดมาเนี่ยนะอันดับแรกก่อนคือเรื่องของการเสพข่าวคือจะเป็นข่าวที่เราพอใจหรือเราจะไม่พอใจคือเราเราอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยได้รับข่าวใช่ไหมแต่นี้มันมาทางโทรศัพท์มือถือด้วยนะอีเมลอะไรพวกเนี้เสร็จแล้วคุณได้รับอีเมลได้รับข่าวได้รับ SMS มเอสมีเฟซบุ๊กโผขึ้นมาเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับไปอ่านหนังสือพิมพ์ หรือไปซื้อแม็กกาซีนสักเล่มหนึ่งมาอ่านคือเราเสพข่าวเนี่ยเราจะต้องเลือกเสพไงเสพข่าวเนี่ยหมายความว่ า, าเป็นเอาสิ่งที่เป็นกุศลเข้าในจิตสิ่งที่เป็นอกุศลเราห้ามนะครับมันจะผ่านมาทางตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจเราคิดต่อเนื่องใช่ไหมเราจะต้องเป็นผู้ที่มีการสํารวมอินทรีย์ see. พระพุทธเจ้าเป ร, เรียบเทียบตรงนี้เหมือนกับในทวารเนี่ยมีคือแบบแบบแบบคนอยู่บ้านที่เป็นก็เลยหมู่บ้านอะนะ หรือ <c oughs> ว่าโรงงานเนี่ยเขาจะมีป้อมยามเขาจะคอยตรวจนะรถไหนไม่มีสติ๊ cker แอดห้ามเข้า <c oughs> มีสติเกอร์เอาเข้ามาเอาคนที่คุณไม่มีบัตรคุณต้องแลกบัตรก่อนคุณถึงเข้าได้คุณไปหาใครคุณมาทําอะไรเอาบัตรมาแล้วเขจะตรวจสอบอย่างนี้ <c oughs> เหมือนกันเราจะต้องมีสติเป็นนายทวารนนะีอาจจะอ่านขาพลาดหัวสักอย่านึงแต่แน่แน่แน่ตึงคนโน้นถึงคนนี้นนนเออเราจะต้องปิดกั้นอินทรีย์ของเรานะีไม่ให้ไหลไปในสิ่งที่ไม่เป็นที่ที่ไม่ดีทีนี้ นี่คือของผู้เสพนะของผู้เสพทีนี้ของผู้ส่งต่อผู้เขียนผู้ต้นกําเนิดเนี่ยเกิดนี้ถ้าเราส่งสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นธรรมะสิ่งที่เป็นดีๆสิ่งที่เป็นกุศลธรรมไอสื่อพวกนี้เครื่องมือพวกนี้จะยิ่งก็แพร่หลายไปได้เร็วเหมือนกันถูกไหมมันก็ใช้ประโยชน์ได้หลายแง่อีเมลมันก็ส่งข้อความส่งข้อมูลอะไรต่างๆได้แต่ถ้าส่งสิ่งดีๆมันก็ดีเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปแก้ที่ตัว เราจะอาออกซอฟแวร์ออกมาอันหนึ่งในะที่ห้ามส่งข้อมูลคําด่าสกรีนคําที่เป็นคำหยาบออกไปยังไงมันก็ทําได้ไม่หมดคุณหยงเตี้ยวมันต้องแก้ที่จิตของคนอย่างเรื่องระบบการปกครองคนบางคนก็จะบอกว่ า, าระบบนี้ดีระบบแบบนั้นดีกว่าเอาต้องเอากลุ่มนี้มาทํากลุ่มนั้นทําไม่ดีโอ้ใครก็ทําได้ทั้งนั้นถ้าคนนั้นเขาไม่มีราคาโทรศัพท์โมหะถ้าคนนั้นเขามีการปฏิบาตเบียดเบียนน้อยถ้าคนนั้นเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมนะเป็นคนดีนะ คนดีนี่วัดจากศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมถ้าเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยใครทําที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ดีทางนั้นอ่าเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปแก้ที่ระบบไปแก้ที่อุปกรณ์ไปแก้ที่ซิสเตม็มไปแก้ที่ตัวเครื่องไม้เครื่องมือเราแก้ที่ตัวคนคแก้ที่จิตของคนให้มันออกไปตรงนี้ท่านกเลยจะบอกว่าก็เลยน่าจะเดา ว, ว่าถ้าสิทธิ์ จ, จ็อบยังมีชีวิตอยู่เขาคงจะหันมาส่งเสริมให้คนมีคุณธรรม แล้วรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรเงี้ <c oughs> นะครัค่ะคือเราส่งเสริมกันเลยสตีฟจะจะอยู่หรือไม่นะ <c oughs> เป็นหน้าที่ของคนที่อยู่จะต้องทำค่ <c oughs> แะแต่ถ้าสตีฟเขาเป็นคนคิดดีเขาอาจจะไปเป็นเทวดาค <c oughs> นะแล้วก็อ่าคนที่อยู่ต่างหากนี่แหละที่ยังอยู่บนโลกมนุษย์ที่จะต้องมาคอยทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นค่ะ <c oughs> ทีนี้มันมีประเด็นที่สองที่คุณยมติ๋วพูดถึงเวลาที่เราส่งไปเนี่ยที่เรารับข้อมูลเนี่ยนะต่อให้เราไม่มีพวก อินเทอร์เน็ตอีเมลเฟสบุ๊กหรือว่าไอ้พวกเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่เราคอยส่ง่งกันอยู่เนี่ยน ะ, คะแค่เรานึกถึงนะไอ้กระแสจิตของเราเนี่ยมันก็ไปแล้วนะนึกถึงอะไรเนะอออ่างาเชตัวอย่างให้เห็ น, นอย่างเช่นว่าอาเรานึกถึงหน้าแม่ของเราอย่างเงี้ยโดยที่ท่านไม่ได้อยู่ใกล้ๆเรานึกถึงหน้าแม่เนี่ยจิตของเราเนี่ยจะเข้าไปรับรู้นะในความที่คนนี้เป็นแม่เราแไปทันทีจิตต้องมันไวขนาดนั้น นะวายกว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไวากว่าอีเมลวากว่าเฟซบุ o กอะไรไวากับเอสเทั้งหมดล่ะ <Okay. S 1> คือมันไปล้วแล้วไปแล้วเนี่ยถามว่าคนคนนั้นจะรู้ไหมถ้าเขารู้ได้เขาก็จะรู้ได้แต่ถ้าเขารู้ไม่ได้ก็จะรู้ไม่ได้นะเด <Okay. S 1> ี๋ยวตัวอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือคุณโยมติวสมมติกดเบอร์คุณโยมติ ว, มมต ว, มมตวทั้งโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้ากดแค่2ตัวเนี่ยมันไม่ถึงนะ <Okay. S 1> แต่ถ้ากดสิบตัวเนี่ยมันจะถึงอยู่แต่ต้องกดถูกเบอร์ด้วยนะ เหมือนกันถ้าบอกว่าจูนกันได้มันก็จะไปถึงกันได้คือเหมือนว่าบางทีเรามีการรับรู้พิเศษเาทางจิตซึ่งตรงนี้พระเจ้าก็เคยบอกไว้าการสื่อสารทางจิตการอะไรทางจิตไปได้นจนถึงพรหมโลกด้วยแค่การยืดมือหดแขนเข้าในาเร็วขนาดนั้นโดยที่ไม่ต้องเครื่องเครื่อ ง, อ ง, องบินเจ็ตไปคือท่านกำลังจะบอกว่าจริงๆจิตเนี่ยมันมีพลังดิฉันอันนี้พูดเองถ้าผิดท่านบอกนะคะเพราะกําลัง<ด><ด>คิดว่าท่านอาจจะยกตัวอย่างได้ไม่ทั้งหมดหรอก เพียงแต่ที่ยกตัวอย่างมาณโยมน่าจะคิดไปถึงได้ว่าคิดดีคิดไม่ดีอันสืบเนื่องจากการที่เราเสพอะไรจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนั้นอื ม, มันก็ส่งผลทันทีสําหรับเราเพราะจิตเป็นของเราแล้วมันไวมากงั้นน ะ, ะคะถูกต้องถูกต้อง อ, อแล้วก็การเสพข่าวต้องรับเฉพาะสิ่งที่เป็นกุศลลธรรมท่านคะทีนี้บางคนฟังท่านต่อเนี่ยไม่สนละเรื่องนั้นอะที่กําลังกราบเรียนถามแต่มาสนเรื่องใหม่เรื่องจิตของเรา เพราะว่าก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้ไม่ต้องทำงานโดยการเดินไปหาใครเขียนจดหมายไปหาเขาส่งโปรจิตเลยที่ฉันเนี่ยรุ่มหลงใครคนใดคนหนึ่งส่งจิตถึงเขาเลยมันต้องถึงสักหน่อยน่ะมีไหมคะที่ท่านบอกว่าถ้าเกิดเครื่องรับมันจูนไม่ได้หรือมันต้องจูนได้บ้างหรือจะทำยังไงที่จิตเราจะมีพลังชนิดว่า ท่งไปถึงไหนต่อไหนได้อันนี้ต้องเอาวิธีของพระพุทธเจ้าด้วยนะคะใช่ใช่ก็พระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องของการมีอํานาจเหนือจิตค่ะนะไม่ให้จิตมีอํานาจเหนือเราได้พูดถึงการที่จิตเนี่ยมีกําลังขึ้นมาได้นะด้วยการที่ทําให้จิตเนี่ยเป็นสมาธินะคือจิตเนี่ยมันถ้าจะเปรียบเทียบนี่ก็เหมือนกับสัตว์เลี้ยงนะคุณยมติวถ้าบอว่าเราเอาสัตว์ป่ามาเลี้ยงเนี่ยต่อให้มันมีความแข็งแรงมีกําลังมีสมบูรณ์ด้วยการความหาอาหารความเอาตัวรอด แต่ว่า ม, มันสั่งไม่ได้สั่งให้มันซ้ายมันจะกินเราสั่งให้มันขวามันจะหนีอย่างเงี้ยแต่สัตว์เลี้ยงเนี่ยทั้งที่อ่อนแอบอบบางสู้ใครก็ไม่ได้บางทีหมาตัวใหญ่ไปกัดหมาตัวเล็กยังแพ้นนั้แต่ว่ามันเชื่องอ่ะมันซื่อสัตว์ต่อเราอันนี้เราก็เอามาเลี้ยงจิตของเราเนี่ยเป็นลักษณะนั้นถ้าเป็นจิตที่สั่งไม่ได้นะคุณโยมติ๋วมันมันไม่ได้เรื่องต่อให้เก่งขนาดไหนคุณฉลาดขนาดไหนคุณมีความคิดดีขนาดไหนถ้าสั่งจิตไม่ได้คุณใช้งานไม่ได้เพราะฉะนั้้นเราจจจึึงงะตตอฝกิ แล้วจิตที่ฝึกแล้วเนี่ยมันมีพลังอำนาจมากค่ะปุริเจ้าเคยเปรียบเทียบอันนี้เป็นอุปมาอุปไมของอาตามาเองแหะเมือนกัแบแ่นขยายที่รวมแสงเนี่ย แ, แสงมันก็ส่องไปธรรมดาของมันใช่หแต่พอเราเอาแว่นขยายมาส่องผ่านมารวมแสงเนี่ยโอโ้ไม่กระดาษได้ไม่ไม่หัวไม่กีดได้ซึ่งถ้าเรารวมจิตของเราได้เรื่องการส่งกระแสจิตคิดอ่านการงานเราไม่ต้องพูดถึง เาฮนเดินอากาศเลยนะหรือว่าไปปรมโลกหรือว่าสื่อสารทางโทรจิตกับคนอื่นนะเอาแค่ว่างานอยู่ต่อหน้าคุณนะคุณคิดงานแก้ไขปัญหาได้เข้าห้องสอบคิดข้อสอบได้เจอหน้าชื่อเจอหน้าเพื่อนไม่ได้พบกันมาเป็น1ิปีนึกถึงชื่อเขาออกแค่นี้ก็รู้แล้วเกิดจากกระบวนการเดียวกันหมดคือจิตที่เป็นสมาธิที่ฝึกตามแบบที่ท่านมาร์กนาในตอนต้นถูกเพลงเลยอ๋อเหรอคะนั่นก็พอแล้วเหรอคะที่จะมีอั้ออหนห า, าร การทำตรงนี้เนี่ยทำต้องทําให้มากนะพระพุทธเจ้าเคยอธิบายไว้อย่างนี้ว่าทําให้มากนะทำให้เป็นดุดยานเครื่องนําไปเพียรสม่ำเสมอโดยรอบคอบเพียรตั้งไ ว, ดวด้ด้วยดีนะคือเหมือนกับ เ, เวลาที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยทำอย่างละเอียดลึกซึ้งรอบครอบเลยอย่างรถยนต์เนี่ยคุณโยมติว๋วถ้ามันจะต้องมีทั้งระบบเบรกระบบส่งกําลังระบบ การเผาไหม้ภายในสันดาปภายในใช่ไหมระบบไฟฟ้าระบบเกียร์ระบบพวงมาลัยระบบน็อตล่าล้อหลังกว่ามันจะเป็นรถยนต์มาให้เรามาขับได้เนี่ยโอ้โหมันไม่ง่ายน ะ, ะแล้วยังจะต้องทําอย่างสม่ําเสมอด้วยดีเพรา ะ, ะนั้นเราต้องทําอย่างดีจิตของเราตรงเนี้ยอย่างที่ท่านมาร์กพาทำเนี่ยเราต้องทําบ่อยๆทําซ้ําๆทําย้ ำ, ำ, ำๆทํำมากๆทําเรื่อยๆนะมีตรงนี้เป็นเครื่องอยู่มีลมใบใช้ของเราเป็นเครื่องอยู่ตลอดนะจิตของเราจะมีกําลังมากขนาดนั้นได้ วิธีการเดียวกันเป็นเป็นเส้นทางเดียวกันเป็นมาร์กเดียวกันค่ะคือเหมือนกับว่าถ้าท่านอยากมีอำนาจเหนือจิตก็นั่นแหละสิ่งที่ท่านมาร์กสอนอยู่ทุกวันทุกวันเราอาจจะคิดไปไม่ถึงแต่ใช่เลยเพียงแต่ต้องทําให้มากนะคะบทเพียนฉนะตรงนี้ก็คือว่าทําให้เป็นของที่อาศัยได้นะเป็นสิ่งที่เราอบรมให้มากทําให้เป็นยานเครื่องนําไปเพียงตั้งไว้หนึ่งเนืองเพียงเสริมสร้างโดยรอบขอบ เอาแค่ว่าข้อที่หนึ่งทําให้เป็นสิ่งที่เราอบรมให้มากมากนี่มากน้อยวันยังไงว่าที่เวลาก็ได้เคุณทําแค่ที่ท่านมาพูดเหรอไม่ถึงสิบนาทีค่ะยวันหนึ่งนะวันหนึ่งมยี่สบสี่ชั่วโมงนะแล้วคุณทาไม่ถึงสิบนาทีโอ้แต่ละไม่มากนะเนี่ยท่านคะ่ะ <c oughs> เรื่องมากเรื่องน้อยเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะขอยกไปถามท่านต่อในวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้จะขอให้ท่านต่อในสิ่งที่ท่านยังพูดค้างอยู่ค่ะเ <c oughs> มื่อกี้บอกว่าทําอ่าทําให้เป็นสิ่งที่เราอบรมได้มาก ใช่ไหมคะเป็นพุทธวนจนะถูกไหมคะประการถัดไปคะออ่ะทําให้เป็นเหมือนกับยานเครื่องนําไปเหมือนกับยานเครื่องนําไปค่ ะ, คะแล้วก็ทําให้เป็นของที่อาศัยได้ของที่อาศัยได้นี่ก็ลึกซึ้งนะเหมือนอย่าง <คะ S 2> บ้านเราอะ่ะคุณยมติวก็วจะมาเป็นบ้านได้เนี่ยนะคนที่สร้างบ้านเองจะทราบเลยในระบบกําจัดของเสียเสากี่เม็ดกี่หุนใช้เหล็กเท่าลายว่ามันไม่หมู่นะคุณยมติว แล้วแยังระบบหลังคานี่โอ้ยิ่งซับซ้อนฉาบนี่โอ๊ยต้องเอาอะไรมาปู ก, ก่อนแล้วจึงฉาบได้แนะเสร็จแล้วบางคนยังติดวอลเปเปอร์ระบบไฟฟ้าคุณรู้หรือเปล่าคุณต้องเจาะเข้าไปแล้วเดินท่ออย่างไงไปทางไหนโอ้โหมันไม่ง่ายนะเป็นที่อาศัยน ะ, ะ, ะเพราะฉะนั้นมันต้องประนีท่านคะนะถ้าพูดอย่างนี้ติดไว้อีกเรื่องในเดี๋ยวจะไปถามเรื่องบ้านจัดสรรแล้วก็ประการถัดไปคะ่ะสุดท้า ย, ส, ายสุดท้ายก็คือว่าต้องเพียรตั้งเนื่งเนืองเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบ คือทําอยู่บ่อยๆทําซ้ําๆทําย้ํำ ๆ, ำๆตั้งเนืองๆใช่เสริมสร้างโดยร อ, รอรบคอบแล้วสุดท้ายานะก็คือเพียรปราบรบสม่ําเสมอด้วยดีค่ะคือตรงนี้จะรวมกันก็นได้ในเรื่องของความเพียรนะเพียรตั้งไว้น่เนืองๆเพียรเสริมสร้างรบอบครอบเพียรปราบรบสม่ําเสมอด้วยดีอันนี้รวมเป็นข้อเดียวก็ได้นะว่าต้องทำซ้ำําๆย้ำๆบ่อยๆเรื่อยๆอยู่เป็นประจําสม่ําเสมอ ท่านฝั่งคะในส่วนที่ท่านมาร์คขอภัยกับท่านพิบูณ์พูดในช่วงหลังนี่แหละคือผูท้ทวจรณะล้วนๆถูกไหมคะใช่ถูกต้องถูกต้องที่ว่าเพียรสม่ําเสมอโดยรอบคอบทําให้เป็นสิ่งที่เราอบรมได้มากเหมือนกับยานเครื่องนําไปเป็นของที่อาศัยได้ไหมครับเพียรเนืองเนื่ ง, งเสริมสร้างโดยรอบคอบโอ้ oh, คือท่านจะพูดแล้วก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ขอให้รู้ว่ามันไม่ได้ง่ายมันต้อง เป็นไปด้วยความประณีตนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้การได้อย่างดีพาเราไปไหนต่อไหนได้ใช่ใชแล้วสามารถที่จะเหมือนกับบ้านที่อยู่แล้วสุขสบายไม่ต้อง อ, อยู่แล้วก็น้ำรั่วท่อตันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ทั้งนี้และทั้งนั้นถึงสร้างขึ้นมาแล้วก็ต้องเสริมสร้างให้รอบครอบก็ต้องดูแลอยู่ตลอดเวลา ต, ต้องมีการดูแลมีเทนนนอยู่เรื่อย ท่านังคดีนี้คิดว่าท่านกงได้ฟังในสิ่งที่ล้ำค่ามากเลยอันนี้จะสามารถอยู่กับท่านตลอดไปถ้าท่านเสดเป็นพุท้ทวจนะนะคะไตรตรองไปโหหนีไม่พ้นไม่หลุดจากหลักการอันนี้เลยละเอียดมากวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านพี่บุญมากนะครับเพราะว่าเวลาหมดอีกแล้วคะะ่ะใช่จเลนพาร์คค่ะมรสการค่ะท่านฟังที่ครบค่าส่วนคําถามที่จะถามมานะคะท่านตั้งไปได้เลยที่พิเอลธรรมะ .com/106 และการเข้าไปที่นัานเนี่ย ท่านจะได้ทราบข้อธรรมข้อ อ, อื่นด้วยนะคะเพราะว่าท่านพิบูรณ์ก็ได้เขียนขึ้นเอาไว้เยอะค่ะส่วนท่านที่ต้องการที่จะเสพผู้ทวจนะโดยตรงหูจะท่องไว้เลยเพราะว่ามีความหมายทุกคําทุกประโยคอย่างลึกซึ้งเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับว่าพระพุทธกรกัดไว้นะคะแล้วก็มีการรวบรวมเอาไว้ในหนังสือชุดพู้ทวจนะที่เราแจกกันเป็นประจา ช่วงนี้ขนาดรับหนังสือช้านิดหนึ่งน้ำท่วมเดี๋ยวจะส่งมอบไปให้ที่สถานีช้าแต่ได้แน่นอนนะคะติดต่อไปที่ศูนย์สองสองหกเกูย์ูศูหค่ะก็ได้รับความเมตตามาจากท่านอาจารย์คึกฤทิ์โสธิพโลวัฒนาปะพงลำลู ก, กาคลองศิที่ท่านมาร์คได้จําพรรษาอยู่นั่นเองวันนี้เราลาการไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับรายการสันสนิสนทนาโดยดิฉันสันสนิษฐานาณพง์พบกันใหม่พรุ่งนี้พุทสวัสดีค่ะ